ที่ชื่อว่าตระกูลหมายถึงตระกูลสีได้แก่ตระกูลกษัตริย์ตระกูลพรามตระกูลแพทย์ตระกูลสูตรคําว่าเข้าไปคือไปในตระกูลนั้นคําว่าโดยไม่บอกเจ้าของบ้านคือไม่ขออนุญาตเจ้าของบ้านผู้รับผิดชอบในตระกูลนั้นที่ชื่อว่าที่นอนโดยที่สุดแม้เครื่องปูลาดที่ทําด้วยใบยไม้คําว่าปูคือปูเอง คำว่าใช้ให้ปูคือใชป้ปวดให้ปูคำว่านั่งคือนั่งบนที่นอนนั้นต้องอบัติปาจิตตีคำว่าหรือนอนคือนอนบนที่นอนนั้นต้องอบัติปาจิตตี